ต่อไปครับเรา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพลงๆว่าค่ะ หลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเลยเพลงนี้เพลงอะไรนะ จริงๆแล้วไม่มีใครหรอกที่ให้ได้ตลอดรณรงค์ ให้เรารู้จักให้นะคะให้เรารู้จักให และพระองค์ก็ให้ทั้งชีวิตของพระขอยกซึ่ง พระเยซูคริสต์ไม่ได้ให้เฉพาะคนที่ แล้วก็คนที่เกเรที่แล 8 ข้อที่ 11 นะที่ 8 ตอน ก็บอกพระเยซูว่าพระเนี่ยขณะที่เค้าล่วงประเวณี คนพวกนั้นก็จะบอกว่าไหนพระองค์บอกว่าให้ ถ้าใครในพวกค่อยๆออกไปทีละคนๆ ให้อภัยอภัยและสิ่งที่เมื่อพระเยซูให้อภัยกับเราเยซูให้ กับพระเยซูมาแล้วข้อ 21 35ๆ ให้กับเค้าเนี่ยกี่ครั้งดี 7 แต่ 7, แต 7 70วว7 70 490 คือ ไม่ดังที่พระเยซูให้อภัยกับเรานับแต่เรียนรู้ คำอุปมาคำอุปมาที่พระเยซูบอกกับเปโตรเนี่ย ความรงไม่มีอ้อนวอนคุกเข่านะคะเจ้าโอเค ไม่กี่พันบาทไม่กี่พันไม่กี่หมื่นถ้าเทียบ โอ๊ยทำไมทำแบบนี้นะก็เลยเอาทำไมทำไมก็เลยเรียก ที่ที่มีการแต่ร้องแล้ว บางทีความ 2 โครินธ์นะคะ 2 ข้อ 10 ถึง 11 พี่ 2 โครินธ์บท 2 ข้อ 10 ถึง 11 พระธรรม 2 โครินธ์บท 2 ข้อ 10 ถึง 11 ได้ ถ้าพวกท่านจะยกโทษให้ผู้ใดพวกท่านถ้าๆข้าพเจ้าได้ยกโทษ มันต้องการทำให้เกิดความแตกแยกพระเจ้ายกโทษพระเจ้าให้อภัยอย่างสุดใจกับเราทั้งหลายนะคะทําให้เกิดความแตกแยกพระ ไม่ใช่การพยายามจะลืมจริงๆจริงๆ อย่าเพราะพระองค์ได้ทรงให้อภัยเราแล้วจดจําความบาปที่เราทําไว้ทั้งห่า เช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าให้อภัยกับเรา ของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายนึงซึ่งเราเองต้องยอมรับความเจ็บปวดนั้นแต่ โดยวิธีการของพระองค์เพราะว่าเราทําไม่ พี่น้องที่รักอย่างแรกที่พระเยซูพระเยซู และพระองค์จะทรงจัดการสิ่งนี้ อย่างแรกให้อภัยอย่างที่ 2 ให้โอกาสนะคะ อย่าทําอีกกลับโอเคพระเยซูให้อภัยเราแล้วเราสบายละๆพระเยซูให้โอกาสกับ เริ่มต้นหลังจากที่พระเยซูได้ให้อภัยและให้โอกาสกับเขาเขาก็ได้ติดตามพระเยซูพระองค์เหมือนหญิงคนนั้นที่ทํา มีกษัตริย์กระจายไปแต่พระเยซูก็ให้อภัยและให้ ไม่มีโอกาสครั้งที่ 2 แบบนั้นหรือเมื่อๆ2 ทำดีแล้วเราจะได้ดีไม่ใช่นะคะ ที่พระเยซูให้กับเรานั่นก็คือให้อดทนค่ะพระเยซูให้กับเรานั่นก็คือให้ 7 ถึงข้อที่ 11 นะคะท่านยากรอบได้เป็น เพื่อท่านจะผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขถูกพิพากษาจง ทรงเตรียมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใดพระ กระดูกมีความอดทนมากเลยของเขาเองอดทนต่อสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อะไรคือสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้นั่นก็คือสภาพฝนฟ้าอากาศชาวนาสามารถสั่งได้ไหมคะมีความอดทนมากเลยต้องโอ้จะหวานแล้วฝนจองหยุด ควบคุมไม่ได้นะคะแม้ว่าเขารู้ว่าควบคุมไม่ เหตุการณ์เหล่านั้นมั้ยพระทรงหนุนใจว่าให้เราดู วันสุดท้ายเรา 2 แต่ ในทําในสิ่งหรือบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเยซูให้เขาทํานะคะ อดทนกับคนๆนึงซึ่งหือทําไมบอกแล้วไม่ฟัง เพราะอะไรคะเพราะเขาได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าหลายๆสิ่ง<แต> อย่าง 3 ภาพ 3 ที่เห็นในเรื่อง 11 ไม่มีซาตานโยบไม่รู้จักซาตานรู้จักแต่พระเจ้า แต่โยบทําไงคะอดทนรอนิดคะโอ้โหเป็น ปีตั้งแต่ซิซาจดปลายเท้า โยบเป็นใครก็อธิบายไม่ได้คะได้อดทนต่อสิ่งที่เขาอธิบายไม่ได้เป็น ท่ามกลางพระพรในเมื่อพระเยซูอดทนต่อเราพระเจ้าท่ามกลางเอ่อสิ่ง พระพระเจ้าอยู่เบื้องหลังในทุกสิ่งพระเจ้าควบคุมและคอยดูเราอยู่ผู้ควบคุมอยู่ <ม. S 1> ให้อภัย 2 ให้โอกาส 3 ให้แล 4 ใหและพอเด็ก กอดลูกให้อยู่ในอ้อมกอดใช่มั้ย ไม่ได้ไปไหนไกลเลยข้อที่สิบห้าถึงสิบหกนะคะได้บอกไว้ว่ากอดเรา 14 ข้อ 15 16 นะคะ. 14 ข้อ 15 16 นะคะ. ประธานผู้ช่วยผู้ช่วย 1 ให้แก่ ไม่ว่าเราไปที่ไหนพระองค์ก็อยู่กับเราหลายๆคนคุ้น สุโดีบทที่ 121 นะคะได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ ความไม่สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเราเนี่ยต้องการการ รู้สึกหรือไม่ก็ตามหรือไม่ก็ที่ 121 นะ พระเจ้ามองเราโอ้ พระองค์กําลังกอดเราอยู่ดูเราอยู่ประคองเราๆนะคะหมายถึงว่าต้องมากอดก็ หมายถึงการที่เราให้ความสนใจถึงการที่เราให้ความสน 4 ประการค่ะที่หนุนใจพี่น้องในเช้า 28 18 20 ให้เป็นสมบัติของพระองค์ออกไปจนสุดปลายยื่นของบาง ของของสิ่งของอันนั้นจะถึงคน เก็บน้ําไว้เพราะพรของอย่างที่สามให้เราอดทนเจ้ามี หนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะ คนอื่นหรือยังอื่นหรือยังมีใครบางหมายที่เรายัง ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะๆดังที่พระเยซูได้ให้โอกาส ต่อสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ กับคนนั้นคนนั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา ของพระเยซูคริสต์ที่มาสู่